ด้วยเหตุที่ไม่สามารถยังเข้าหาเหตุแห่งทุกข์วงเล็บสมไทยได้เออใช้คำสมูทยเหมือนกันนะการให้เหตุผลอื่นๆเพื่อปิดบังความจริงนั้นนักจิตวิทยาได้แยกแยะออกเป็นหลายแบบอาทิเช่นโอ้โหอันนี้ขยายไปอีกนะเมื่อกี้เราขึ้นหัวข้อ 4.8 ใช่ไหมนั่นนี้ขยายเป็น 4.8.1 นะพวกองุนเปี้ยวเอาละนะดูนะเหตุผลมีหลายอย่างนะวิธีการกบเกินวิธีการปิดบังความจริงชนิดองุนเปี้ยวหมายถึงพวกที่พลาดหวังในสิ่งนั้นหรือไม่สมใจก็หาเหตุผลมาแก้ตัวอาจจะต่อคนอื่นหรือต่อตัวเองก็ได้เพื่อรักษาหน้าของตนไวเรียกว่ามีมานะทิฐิไม่ยอมลงให้ใคร หรือเสียเปรียบใครจะแพ้ใครก็ต้องมีเชิงมีเหลี่ยมต้องอวดดีเข้าไว้เป็นการปลอบใจตัวเองเหมือนอย่างเจ้าสุนักจิ้งจอกเห็นพวงองุ่นพวงใหญ่ย้อยลงมาจากเถาอางุ่นก็เกิดน้ำลายสอแต่กระโดดงับเท่าไหร่ก็ไม่ถึงก็เลยพูดกับตัวเองเสียเลยว่าไปกินมันทำไมองุ่นเปรี้ยวจะตาย ที่ตอนก่อนงับไม่ยักจะคิดพอไม่ได้ค่อยคิดจึงเป็นที่มาของคําว่าอั ง, งุนเปรี้ยวนะตัวอย่างโอ้โหยกตัวอย่างซ่อนตัวอย่างเข้าไปอีกนะว่าสอบตกก็อ้างว่าดีเหมือนกันจะได้ภูมิแน่นๆอ๋อนี่คือลักษณะของพวกอั ง, งุ่นเปรี้ยวนะไปถามใจเราเองดูว่าว่าเรานี่ประเภทอั ง, งุ่นเปรี้ยวหรือเปล่านะ ลองลองไปสังเกตดูแต่ว่าบางทีบางครั้งนี่นะมันอยู่ที่จิตเราอีกนะคือถ้าจิตเราเนี่ยชัดเจนตัวเราเองว่าเออเราไม่ได้จริงๆเนี่ยเราต้องหัดยอมรับแต่พอเรายอมรับแล้วเนี่ยเราก็คือใครจะไปโง่ให้ตัวเองทุกข์อ่ะคราวนี้เราจะหาสิ่งอื่นเรื่องอื่นเนี่ยเอามาปลอบใจเราเพื่อที่จะให้มันคลายทุกข์จากเรื่องนั้นเข้าใจไหม พร อ, อันนี้ไม่ใช่แบบประเภทอังลุนเปรี้ยวไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจไหมเนี่ยที่จะมาพยายามพูดแต่พวกอังลุนเปรี้ยวนี่คือพวกพยายามกลบเกลื่อนจริงๆคือจริงๆยังอยากได้อย่างนั้นอยู่เอ า, เอาตัวอย่างของเขาเนี่ยอย่างเช่นสอบตกเนี้ยใช่ไหมคือสอบตกสมมติวพอสอบตกปับ๊บใช่ไหมแล้วก็อ้างเนี่ยดีเหมือนการจะได้ภูมิแน่นแต่จริงๆใจตัวเอ ง, ง, ง, งอยากสอบได้กลัวสอบตกจะตายไปแต่มันตกมาแล้วอ่ะ ตกมาแล้วพอสอบตกแล้วก็กบเกลื่อนไงเข้าใจไหมกบเกลื่อนคือคือพูดง่ายว่ากลัวเสียหน้ากลัวเสียเหลี่ยมกลัวอะไรต่างๆกันแล้วแต่ก็เลยต้องบอกว่าเออดีมันกันจะได้ภูมิแน่นๆเวลาใครมาคุยมาถามอะไรเงี้ยใช่ไหมบอกทำไมสอบตกอะ่ะอา้าวก็จะได้ภูมิแน่นๆน่นนั่นแต่มันเป็นการกรบเกลื่อนมันเป็นการแก้แก้แก้กิเลส ข, ของตัวเองที่จะต้องบังคายหน้าหรือว่าจะโดนว่าจะอะไร แต่อันนี้เนี่ย น, ะนี่แหละอันหุ่นเปรี้ยวแต่รัฐบางกำลังพูดว่าถ้าไม่ใช่ประเภทอัหุ่นเปรี้ยวแต่คล้ายกันเลยนะคือการที่สอบตกจริงๆแล้วเรานี่ยอมรับว่าเออเราอาจจะขี้เกียจเราอาจจะไม่เก่งเราอาจจะไม่ขยันอะไรอย่างนี้นะคือเรายอมรับความจริง ว, ว่าเออเราทําบกพร่องเราทําผิดพลาดมันถึงได้สอบตกใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เลยคิดสิ่งที่มันจะมาปลอบใจขึ้นมาว่าเออ ก็ดีเหมือนกันนะนะจะได้ภูมิแน่นๆขึ้นเห็นไหมเหตุผลเหมือนกันเลยนะแต่ความต่างกันมันอยู่ที่ตรงจิตของผู้ที่ยอมรับกับผู้ที่ไม่ยอมรับจิตที่ยอมรับเมื่อไหร่เนี่ยมันคือมันยอมรับความเป็นจริงแล้วมันยอมรับสิ่งที่เกิดนั้นตามสภาพความเป็นจริงจริงนะไม่กลัวหน้าแตกไม่กลัวอะไรหรอกแต่ว่า ไอเหตุผลที่บอกว่าเออดีเหมือนกันจะได้ภูมิแน่นๆนี่มันเป็นเหตุผลที่คนยอมรับความจริงแล้วไม่ใช่แบบพรยอมรับความจริงแล้วก็หมดทุกเลยมัเปล่านะก็สอบตกอะ่ะมันก็ทุกอยู่เหมือนกันเนะี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความฉลาดของคนที่ว่าเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วก็ตามเราก็รู้จักคิดรู้จักหาเหตุผลที่จะมาแก้จิตเราไม่ให้มันทุกเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอันนี้คือ อีกคนหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่ยอมรับกิเลสของตัวเองเลยแต่อีกคนหนึ่งยอมรับนะเพียงแต่ว่าทุกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพยายามแก้เหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งแก้โดยการกรบเกลื่อนแต่อีกคนหนึ่งแก้โดยการที่เหมือนกับหาอะไรมาปลอบใจให้ตัวเองเนี่ยจะได้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไป okay. คนประชดตัวเองนั่นก็คือคนที่ไม่ยอมรับเหมือนกันไม่ยอมรับความเป็นจริงเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาไปกระทำอาการกริยาอื่นๆที่จะมาใช้อย่างเช่นบางคนเนี่ยประชดไปกินเหล้าไปเมายานะเนี่ยไปยาบ้ายาอะไรก็แล้วแต่ยาอียาเอ อ, อะไรนี่คือพวกที่ประชดเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่เอาวิธีการอื่นเนี่ยเอามาประชดบางกบเกิน ที่ตัวเองเนี่ยสอบตกยอมรับไม่ได้อ่อานั่นแหละอ่าเขามีตัวอย่างอื่นอีกหนังจะมีอะไรอย่างนั้นแหละคนก็แน่นนะวงเล็บตือนตั้งแต่เช้ารีบมาตีตัว๋วแต่มาไม่ทันวงเล็บปิดอ่คือจริงๆแล้วตื่นสายนะมาตีตัว๋วเขาไม่ทันเลยอดดูหนังไงแต่แทนที่จะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมก็เลยบอกว่า โอยหนังมันแน่นคนมันเยอะไม่น่าดูรหรอกหลังเรื่องนี้นั่นแหละคือคือมันกบเกื่อนนะมันไม่จริงไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเป็นเหตุผลเอ อ, อะไรอะ่ะเหตุผลคือมันอาจจะมีคนแน่นจริงอยู่ด้วยเข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นเหตุผลลองๆไปอะ่ะมันไม่ใช่เหตุผลหลัก อ, อ, อีกเหตุผลหนึงไอ้อีกตัวอย่างสิโ่เอ้ย จะแค่ไหนกันแต่ก่อนก็ยังเดินตอกต่อยวงเล็บแค่ไหนก็ตามแต่คนพูดก็อยากจะเป็นวงเล็บปิดคือลักษณะเขาเขา เ, เอาขึ้นมาแค่ประโยคสั้นๆนะแต่เราเข้าใจไดอ้อย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นใครสักคนในแต่ก่อนนี้อาจจะสมมติว่าเรียนเรียนมาด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเดินอยู่ในซอยเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้โอ้โห เขาขี่รถเบนซ์สมมุตินะเขาขับรถเบนซ์แล้วหรือว่าเขาทํางานเป็นผู้จัดการแล้วก็ลวเลยพูดอย่างเงี้ยเอ้ยจะแค่ไหนกันแต่ก่อนก็ยังเดินตั๊กกะต่อยเดินเหมือนเราเดินนะในความจริงแล้วเนะี่ยมันเหมือนกับจริงๆริงิสยาเข้ามั่งเข้าไคือไม่ยอมรับไอ้กิเลสตัวพวกนี้ของของตัวเราเองนะก็เลยพูดอย่างนั้นนะ่ะพูดมามันเหมือนกับ พูดกับยังไงอ่ะเหมือนกับขมมันเหมือนกับไปติไปว่าอย่างก็อย่างนี้อย่างจริงแล้วก็ริษยาเขาแหละอ่าดูอีกตัวอย่างหนึ่งมันรวยเพราะโกงเขามาบงเล็บยังไม่ทันพิสูจน์ก็รีบพูดเลยตัวเองอิจฉาน่ะนั่นนะนะก็คล้ายๆแตะกีเนี้ยอ่าอีกตัวอย่างสิปฏิบัติธรรมทําไมไม่กี่ปีก็ตายเลิกกันแล้ว ไม่กี่ปีก็ตายเลิกกันแล้วคือคือโดนว่าไงเหมือนอย่างอาตมาเน่ยเคยโยมโยเอเคยโดนโยมเพื่อนพี่ชายเนี่ยบอกเพราะอาตมาจะขอมาอยู่วัดเนี่ยจะมาขอบวชขออยู่วัดบอกเอ็งจะไปทําไมตอนเนี้ยรอให้อีกสัก20ปีก่อนแล้วเองค่อยไปกว่าให้อายุตอนนั้นยุทธีจะบอก ให้อายุสักสี่สิบห้าิก่อนแล้วค่อยมาเพราะตอนไปขอนะตอนไปขอนะอายุสักประมาณสักสามสิบแล้วเขาก็บอกว่าเอออีกสักยี่สิบปีนะ่ะเองค่อยมามันถึงจะเป็นวัยเหมาะแต่ที่จริงแล้วยังไงฮะที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเลยที่จริงก็คือก็นั่นแหละจริงคืออยากจะให้เราอยู่ยังไม่อยากให้เราไปนะ แต่ก็หาเหตุผลอื่นมามาดึงเรานั่นเนี่ยเหมือนปฏิบัติธรรมทําไมไม่กี่ปีก็ตายเลิกกันแล้วนั่นก็อันแต่นี้แล้วแต่นะครจะมีเหตุผลข้างเคียงอื่นๆอะไรแต่เหตุผลหลักจริงๆก็คือถ้าอันนี้ไม่อยากปฏิบัติธรรมแต่เอาไอ้นุ่มมาอ้างเอาไอ้นี่มาอ้างอะไรยอะแย่ไปหมดออีกเหตุผลหนึ่งไอ้อีกตัวอย่างหนึ่งพระอริยะไม่เห็นดีตรงไหนเลย พูดอย่างยี้รู้เลยผู้อย่างยี้รู้เลยว่าคนนี้นี่ยังไงนะฮะเออทำไม่ได้นะเป็นอริยญาเขาไม่ไม่ได้งไงก็เลยบอกโอ้พระอริยญาม่เห็นดีตรงไหนเลยอืมอีกตัวอย่างหนึง่งทำเป็นเคร่งธรรมะธรรมโมเขาเป็นโลกพระจันทร์กันแล้วจ้า มันยังไงอันนี้ยฮะอันนี้มันยังไงทำเป็นเคร่งธรรมะธรมโมเขาไปโลกพระจันทร์กันแล้วจ้ า, า, ค, า, า, าคือจริงๆแล้วนะ่ะตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างเขาไม่ได้นะเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างเขาไม่ได้ก็เลยต้องอ้างว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปโลกพระจันทร์กันแล้ว จะมาบัวโบรานนุ่งผาถุงใส่เสื้อมอหอมอะไรเงี้ยมาถือศีลโอ้ยมันล้าสมัยนั่นแหละคือจริงๆตัวเองเ่ปฏิบัติทำอย่างเขาไม่ได้ อ, อีกตัวอย่างหนึง่งแม่เขาบอกไม่ให้ไปเที่ยวมันเปลืองเงินเปลืองทองมีแต่เหนื่อยทั้งวันไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรจริงๆนะเธออะวงเล็บ เมื่อเช้าแอบร้องไห้ไปสองครั้งวงเล็บปิดคือจริงๆเราอยากจะไปเที่ยวยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไป แ, แม่เขาไม่ให้ไปก็เอาแม่มาเป็นเหตุผลกบเกลื่อน อ, อีกตัวอย่างหนึง่งไม่มีหลอกมักผลนิพพานเดี๋ยวนี้วงเล็บตัวเองไม่มีปัญญาปฏิบัติยังดู ถูกคนอื่นเขาเสียอีกวงเล็บปิดแม เ, เล่นนี้ตัวอย่างเยอะจริงๆนะอ้าวยี่โทรเรื่องกินเรื่องเล็กว่ะข้าก็ไม่อยากกินของเองหรอกข้าก็มีเงินพอซื้อหาได้วงเล็บเปิดรายนี้เขาเชิญไปกินเลี้ยงบังเอิญมีเรื่องกันเลยทะเลาะลามปามออกมาวงเล็บปิดอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง คนนี้เหรออุ้ยนิสัยไม่ดีหรอกบงเล็บความจริงแอบจีบมาตั้งหลายปีไม่สำเร็จวงเล็บปิดะนะไม่ได้ก็เลยด่าส่งเลยก็นับเป็นการหาเหตุผลปลอบใจได้เหมือนกันแต่ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งถ้าไม่จับเหตุหรือสมูทไทยอันแท้ จ, จริงแล้วมันก็ทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นแหละ นะตะกี้นี้อะไรอ่องูเปรี้ยวนะพวกอา่าเปรี้ยวอันนี้ 4.8.2 พวกมะนาวหวานเออเขาเข้าใจตั้งนะพวกมะนาวหวานนี่กลับกันกับพวกอุ่่นเปรี้ยวเพราะตกอยู่ในฐานะเลยตามเลยคือจําต้องรับสถานะนั้นๆก็เลยอ้างเหตุผลประกอบให้ดูสมจริงสมจัง ไม่อย่างนั้นก็เสียหน้าแย่เหมือนกันกินมะนาวเข้าไปทั้งลูกก็ต้องบอกว่าหวานดีอ๋อคำว่ามะนาวหวานเออมันเหมือนอะไรนะวันนั้นกินในมหาดนะ <c oughs> กินลูกมหาดแหมกินเข้าไปบางคนบอกโอ้หวาน <c oughs> แหมหลอกให้คนอื่นกิน <c oughs> <c oughs> พวกนี้ โอ้โหลองเอาใส่เข้าไปโอ้โหเปรี้ยวปื้ดเลยแ้แกล้งหรอกเนอไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่เขาเอามาจากอะไรอ่ะมันเหมือนกับจากต้นเดียวกันจากลักษณะสุกพอๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมาคือจริงๆแล้วมันลดเดียวกันแหละในไอ้กระจาด์เนี้ยเข้าใจั้ย มันไม่ใช่มีเปรี้ยวมีหวานปนเปกัมนมาหลอกคือไอคนหยิบมากินเนี่ยมันรู้แล้วไงนะว่าเปรี้ยวใช่มอ่ะมันหลอกไงกินจะทำเป็นแหมคือบางทีกลัวผิดศีลก็รู้อยู่นะฉลาดนะบางคนแหมกลัวผิดศีลเพราะบอกต่ิถ้ากินเปรี้ยว ต, ต้องเออโหใช่หมต้องหน้าต้องออกลวใช่ไหมแต่นี่พอกินไปทำเป็นแหมเป็นยิ้มโหวานตั้งใจหลอก แต่รู้ว่าถ้าพูดไปจะผิดศีลแหมฉลาดนะบางคนอ่าบางทีเขาเห็นหน้าเขาว่าโอ้ทำสายหวานแหมหยิบ ม, มากินโอ้โหที่ไหนได้หายง่วงเลยแต่ น, นี่เขายกตัวอย่างมะนาวหวานเป็นคนจนมันก็สบายไปอย่างไม่ต้องห่วงทรัพย์สมบัติวงเล็บแต่คนพูดเที่ยวไปบนบานสารกล่าวทุกวี่ทุกวันวงเล็บปิดหมายความว่าไง อยากรวยจริงๆก็อยากรวยเออเอามาอ้างนะเป็นคนจนมันก็สบายไปอย่างไม่ต้องฝ่วงทรัพย์สมบัติคือพูดไม่จริงใจนั่นเองเข้าใจไหมอ่แต่หาเหตุแต่คําพูดมาน่ะดีมีเหตุผลดีแต่ไม่ใช่ความจริงใจของของคนพูด อ, อีกตัวอย่างหนึง่งที่ฉันเถียงเธอบ่อ ย, อยๆก็เพราะอยากจะฝึกให้เธอแข็งแกร่ง ในจิตใจนะจะบอกให้องเล็บตั้งแต่เด็กแล้วชอบเถียงอยู่เรื่อยนี่นี่คือความจริงความจริงคือเจอใครไม่ได้แล้วเถียงลูกเดียวนะแต่ที่ไหนได้พอเวลาเวลาคนก็บอกทําไมชอบเถียงก็ล่ะอา้าวที่ฉันเถียงบ่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เธอแข็งแรงนะทําให้เธอแบวไวนะทําให้เธอแข็งแกร่งนะนะเอาเหตุผลโน่ น, นมาเลย อ่าอีกตัวอย่างหนึง่งที่ผมทําอะไรลงไปก็เพื่อทดสอบกรรมฐานของคุณวงเล็บเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวหรืออดไม่ได้ต่างหากอ่าคือจริงๆตัวเองทําผิดพลาดไปแล้วอาจจะเผลอทําไปหรืออาจจะพลั้งมือทําไปแต่พอทําไปแล้วเนี่ยไวเหตุผลมาไวพอคนเขาถามคุณทําอย่างนี้ทําไมอ่ะไม่ดีเลยบอกอ่อที่ผมทํานี่ผมทดลองกรรมฐานคุณ เ น, นี่ยไอ้ยิ่งพวกสายบัญญาเนี่ยพวกสายบัญญานี่เฉกโกงง่ายให้ให้ระวังตัวนี้ให้ดีเพราะพวกสายบัญญานี่ไวเหตุผลไวมากยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เราถนัดยิ่งถ้าเราไปพลาดในเรื่องที่เรามีความรู้อะพลาดในเรื่องที่เราเรามีความชํานาญในเรื่องนั้นแล้วเราพลาดเนี่ยโอ้โหสามารถจะยกเหตุผลชนิดแนบเนียนละเอียดลึกจนกระทั่ง คนที่ฟังเรานี่นะจับไม่ได้เลยไม่เพียจะจับไม่ได้เชื่อเชื่อว่าเราพูดไปด้วยความจริงใจเราพูดไปด้วยการที่จะให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ศึกษาใหา้ให้เขาเกิดศรัทธาโดยทําไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าบางคนมันวายวจริงๆแต่ไม่มีความจริงแล้วก็ไม่จริงใจนะโดยเฉพาะนักการเมือง โดยเฉพาะโอ้โ ห, โโหทนายอยู่เลยเหรนั่นแหละคือลักษณะพวกนี้เนี่ ย, ยจะมีเยอะในพวกพวกหวังผลประโยชน์อะไรจากคนอื่น อ, อีกตัวอย่างหนึง่งหนังก็มีประโยชน์ครับให้ความรู้กับผมเยอะแยะเอาละเอาละวงเล็บเปิด ท, ทั้งที่มักจะดูหนังบันเทิงเริงร ộ งประเภทน้ำเน่าองและวปิดเอาละ ชัดอันนี้ชัดมันบางคนเนี่ยชอบดูเสร็จหนังเรื่องนี้ก็มีสาระนะนเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้ตรงนั้นแหมยกมาอ้างใหญ่เลยที่ไหนได้ติดดูหนัง <c oughs> ติดดูหนังอืมมันต้องถามใจเราจริงๆเลยว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจับจับจิตตัวเองให้ได้นะถ้าจับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจับไม่ได้ทีเดียว เพราะว่ามันยากอยู่เหมือนกันเพราะบางทีต้องพิสูจน์อย่างเช่นอย่างเงี้ยเราว่าเราไม่ติดละไอ้หนังเรื่องนี้เราดูเพราะว่ามันมีจุดดีอย่างงั้นอย่างงี้เราก็อ้างอยู่เรื่อยนะเพราะมันต้องพิสูจน์บางครั้งเนี่ยลองหัดอดหัดงดดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองหัดอดทัดก็ดูบ้างมันจะดิ้นขนาดไหนมันจะอะไรขนาดไหนอะจะอ้างอะไรอีก เประโน์ู้ล่าส่วนใหญ่เนี่ยมันขาดประโยชน์ไปบ้างเนี่ยมันไม่ถึงกับดิ้นอะไร พ, พลาดพลาดหรอกเข้าใจไหมอ่มันยังหาประโยชน์จากอย่างอื่นก็ได้อีกตอนนี้อาจมาถึงบอกว่าต้องพิสูจน์ี่ยบางทีถ้าเรารู้สึกเลยเพอขาดแล้วโอ้โหอาการหนักแล้วรู้สึกหงุดหงิดแล้วรู้สึกชักชักชัก น, นุ่งงนชักลำคาณนะเอะรู้สึกมันจะขาดประโยชน์มากเกินไปเนะอะมันชักจะน่าสงสัยแล้ว ประโยชน์นี้สำคัญชนไหนโอ้มันมันถึงขนาดนั้นเชียวเลยมันเริ่มจะเริ่มเห็นอาการของเราเพราะบางทีต้องตรวจสอบเหมือนกันนะอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งกินมากๆมันทำให้อ้วนท้วนแข็งแรงดีครับผมมันนักโภชนาการเก่าวงเล็บเปล่าหรอกเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงปากมันอยากกินอยู่เรื่อยๆแม่อันนี้รู้กันดีนะ ผงไม่ต้องขยายมากอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอยู่คนเดียวดีครับไม่ต้องห่วงใครวงเล็บทุกวันนี้แอบไปตื้อสาวผมทอง <c oughs> อ่านี่ก็เห็นชัดๆทนะาว่าโกหกอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งสบายครับแต่งงานแล้วสุขสบายดีครับวงเล็บนอนไม่หลับมาหลายคืนปัญหาครอบครัวร้อยแปดวิ่งเข้ามาเป็นแถวค่าเช่ากระทวงมาหลายเดือนแล้ว แนววงเล็บปิดอันนี้ก็คงเห็นชัดอยู่แล้วแหละและส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้แหละที่โกหกกันเยอะที่สุดกบเกลื่อนกันมากที่สุดในในโลกนี้เลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาในสังคมหรือในประเทศคนที่แต่งงานแต่งกายไปแล้วเนี่ยจะพูดอันนี้มากที่สุดพยายามจะเอามุมที่มีความสุขหรือว่ามุมที่สบายมุมที่อะไรอะ่ะ ทำให้คนรู้สึกว่า แ, แต่งงานแล้วมันมันมันได้ดีได้ดีอย่างนี้คือจะเอามุมไอ้เล็กเล็กน้อยของความสุขพวกเนี้เอามาพูดอยู่เสมอส่วนโทษภัยที่ตัวเองได้รับเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงจะกบเกลื่อนจะไม่ยอมพูดอย่างนี้แหละมากอาจาราถึงบอกว่ามากมากจนกระทั่งคนมันถึงได้เป็นโสดกันยากเนีเพราะว่ามันหลงเลยมันจนโมหะเลย จงหลงว่าแต่งงานแล้วมีความสุขแต่งงานแล้วมีความสุขอะไรนะเพราะทูมันไม่ต้องหลงหรอกโดนเตะติดเครืงฝามั่งก็มันก็ชัดอยู่แล้วเปล่าจากคู่จากสติติจากความเป็นจริงต่างๆเนี่ยมันมีปรากฏยืนยันอยู่แล้วสมมติแต่งไม่ร้อยคู่นะไอ้โดนเตะติดเคืงฝากี่คู่ ทะเลาะด่ากันทุกวันกี่คู่โอ้โหเปอร์เซ็นต์นี่มันออกมาชัดเจนอยู่แล้วแต่อาจจะมาบอกแล้วไงไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้แต่มันยังหลงตัวสุขที่ที่เขาหลอกเอาไว้ไอ้ทุกข์นี่ยเป็นจริงเออข่าวมั่งอะไรมั่งมันก็มีออกมาแต่ให้เห็นไหมว่าคนมันไม่ได้ให้ค่าหรือว่ามันไม่ได้ให้ความสําคัญเลยเพราะคนมันอยากสุขจริงจริงคนไม่อยากทุกข์อยู่แล้ววันอะไรที่เราไม่ให้ค่าเราไม่ให้ความสําคัญเนี่ย เราจะลืมๆไปซะเราจะกบเกลื่อนหรือเราจะไม่ไม่พยายามมาพิจารณาจะไม่พยายามมาดึกคิดเข้าใจไหมแต่อะไรที่มันเป็นสุขเนี่ยมันเป็นความปรารถนาอยู่แล้วมันอยากได้เพราะนั้นนะ่ะอะไรที่มันชอบเนี่ยมันก็เลยจริงๆมันเล็กนะในความสุขนี่มันเล็กน้อยแต่พอเราชอบเนี่ยแล้วยิ่งพูดแต่มุมพูดแต่มุมเป็นสุขนะพูดแต่มุมเป็นประโยชน์ของมันเพราะมันเลยกลายเป็นดูใหญ่ ความสุขนี่เลยดูกว้างใหญ่โตไอ้ความทุกคนมันเกียดคนไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะคนมันจริงๆมันก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกนะถ้าจําเป็นมันถึงจะพูดเท่านั้นเองไม่จําเป็นไม่อยากพูดถึงหรอกเพราะเขาก็เลยไม่ค่อยให้ค่ามันเพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นไม่น่าสนใจมันเลยกลายเป็นจุดจริงๆมันใหญ่กว่าทั้งเยอะแต่มันเลยกลายเป็นจุดนี้เดียวมันเหมือนกันนั่นแหละเราพูดกันบ่อยเลยไอ้เลยดูหนังเนี่ยกว่าพระเอกนางเอกมันจะแต่งงานกันได้ นะโอ้โหมันต้องสู้กับผู้ร้ายต้องเยอะตั้งแย่บางทีหนังทั้งเรื่องอะ่ะบางทีแฮปปี้เอนดิ้งจบมีความสุขแต่มันสุขแค่ว่าตอนจบมันนิดเดียวแต่ไอ้ต้นเรื่องมาไอ้กลางเรื่องมาอะไรนี่นะสมมุติว่าหนังฉายสัก2ชั่วโมงสมมุติว่าหนังฉายสัก2ชั่วโมงแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะ1นาที2นาที3นาทีตอนจบแล้วไอ้ตั้งชั่วโมงกว่ามันจะมันทุกข์ทั้งนั้นะนะ แต่คนไม่ได้คิดถึงเลย嘛พอดูดูจบแล้วเนี่ยโอ้มีความสุขยังเลย<笑>กับไอห้านาทีสุดท้ายตอนจบอะไรเงี้ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมันกบเกื่อนอย่างงี้จิตมันหลอกตัวเองมันหลงตัวเองทงั้งทั้งที่จริงๆก็ดูมาตลอดเรื่องนะโอ้โหแหมทรมานทรมกรรมต่างๆอนานาแต่ลืมหมดเลยจริงๆมันก็ไม่ลืมอมันจําได้แต่ว่ามันไม่ใส่ใจอะไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมสําคัญเลยไอความทุกข์มากมายนะั้นไม่สําคัญเลย ขอเพียงสุขแค่4ี่ห้านาทีตอนจบพระเอกแต่งงานาพระเอกนางเอกแต่งงานกันโอ้โหขอแค่นี้พอแค่ห้านาทีแต่อีกชั่วโมงกว่านี่ช่างหัวมันเนี่ยมันจะกลายปเป็นอย่างเง้ยเพราะอันเนี้ยมันเป็นโมหะมันเป็นความหลงมันเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะอันเนี้ยถ้าใครรู้ใครเข้าใจได้ก็จะรู้ว่าโอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเราถึงได้ บางทีมันถึงได้ดิ้นมาไม่หลุดมันถึงมองไม่เห็นทุกข์สักที ท, ทั้งๆที่ทุกข์นี่ตําตาอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีเห็นจากคนโน้นบ้างเห็นจากคนนี้บ้างเคยญาติบ้างพี่น้องบ้างเพื่อนฝูงบาง้างเราเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเอามาใส่ใจไม่เคยเอามาพิจารณาให้เป็นทุกข์อริยสัจฟังดูให้ดีตรงนี้เราไม่เคยเอามาใส่ใจจนเห็นเป็นทุกข์อริยสัจ แต่เรากลับเอามาคิดบอกว่าเป็นทุกข์ที่มันมันมันไม่น่าไปแตะต้องมันไม่น่าไปเจอะเจอแล้วเราคงจะไม่เจออย่างนี้หรอกถ้าเราพยายามหนีซะเลี่ยงซะเราคงจะไม่เจอทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมแล้วก็ไปพิจารณาแต่สุขที่เราอยากจะมีเราอยากจะเป็นเราอยากจะได้เพราะนั่นอย่างนี้แหละมันถึงไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอทุกข์อริยสัจสักทีทั้งทั้งที่มีอยู่เต็มโลกแต่มองไม่เห็น ว่าอันนี้ให้ให้พวกเราพยายามนะเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นสําคัญนะจำเป็นนะคนถ้าไม่รู้จักพิจารณาเอาทุกมาพิจารณาจนให้เห็นสัจจะเนี่ยคนนั้นก็จะไม่สามารถรู้ทุกอริยสัจได้เลยก็อย่างที่สร้อยแก้วเคยบอกอะให้พิจารณาทีไรว่ากินมากแล้วมันมันเป็นทุกนะมันเป็นทุกพิจารณาทีไรก็ กมากก็อร่อยดีทุกที่มันจะเป็นทุกตรงไหนเนอะมันคิดไม่ออกมันยากอ่ะยากไหละ่ะคุณว่ายากไหมโอ้โหผู้เจ้าถึงได้บอกว่าเนี่ยที่ที่ท่านตัดสํา น, นวนว่าคนจะเห็นทุกอริยสัจได้เนี่ยนะที่ใช้สํา น, นวนว่าเหมือนกับเอาขนเอ า, เอายิงธนูเข้าช่องดานเนี่ยใช่ไม้มอ่าสมมุติว่ายิงไม่ร้อยดอกหรอกจริงๆมันเท่าไหรอ่อ่ะ เดอกเองนะแต่ร้อยดอกนี่อัตราไม่รู้เข้ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะเจ็ดดอกยิงเข้ารูปุ่นแจเนี่ยนะเอาพูดง่ายนะก็ยากแล้วแต่ยากยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าบอกว่าขนขนของเนื้อทายเนี่ยนะถือว่าดึงมาสักขนหนึ่งนะแล้วก็หันออกเป็นเท่าๆกันเจดแฉกอืมอก็ไม่รู้100ร้อยแฉกมาอย่างไหนนะก็ไม่รู้นะ จริงแค่สองแฉกก็พอแล้วอาตมาว่ามันยากเต็มทนแล้วยากเต็มทนแล้วปลายขนทรายอ่ะคุณดูซิว่าขนทรายมันมันเอาไม่นองขนทรายขนค น, นดีกว่าเอาเอาผมเนี่ยเอาผมเนี่ยแหละเอาผมมาทักเส้นหนึ่งแล้วคุณลองผ่าซิให้เท่าๆกันเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสองแฉกเนี่ยให้มันเท่าๆกันเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็จะตายชักอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยเห็นทุกอริยสัจนั้นะยากกว่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันวานถึงบอกมันยากนะคุณอย่านึกว่าง่ายๆนะอันวานถึงบอกบางคนเนี่ยแต่งงานแต่งงานไปใช่ไหมเตะกันติดข้างฝานะเตะกันติดข้างฝาด่ากันอยู่ทุกวันนัก็เลือกียวกคู่นี้ก็แต่งงานใหม่อีกหรือบางทีก็ไอ้ที่เตะกันอยู่นั่นแหละก็ซ้อมกันอยู่ทุกวันอย่างนั้นแหละก็อยู่กันไปนะอะไรแหละที่ทําให้อยู่กันได้อรนวานเคยพูดไปหลายทีนะ ก็ความหลงกามที่ที่ยินดีพอใจมันยังทําให้คู่นี้เครื่องอยู่กันได้แม้ว่าโอ้โหจะตาเขียวไปข้างนะแก้มบ ว, วมมั่งอะไรมั่งอั น, น, นทุกเล็กน้อยทุกเล็กน้อยมาเทียบกับความสุขนะบางทีไม่กี่นาทีเทียบไม่ได้นะไอความสุขไม่กี่นาทีมันยิ่งใหญ่กว่าเนะี่ยมันมั น, ม, นมันหลงอย่างเงี้ยมันโมหะอย่างเงี้ยเพราะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย มันก็ไม่รู้ทุกอริยสัจสัก ท, ทีมันจะมองทีไรมันก็เลยกลายเป็นสุขอริยสัจไปเรื่อย ท, ทั้งที่สุขมันไม่มีพระเจ้าท่านบอกว่าสุกอริยสัจมันไม่มีนั่นแหละ อ, า อ, าอา้าวพอดีอ่นะนี่เราจบหัวข้อพอดีอ้าววันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้